ใครไม่เคยมาเลยมีไหมคนที่ไม่เคยมามีคนไหนไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฟังซีดีขอหลวงพ่อเลยมีไหมยังมีเนาะมีคนหนึ่งหายากนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้คนที่ไม่เคยฟังธรรมะหลวงพ่อหายากหายากมากพวกที่มากับบ้านอารีก็จะมาเรียนสี่วันวันนี้ถึงวันอาทิตย์ สวันเนี่ยถ้าจับหลักได้นะก็เอาไปปฏิบัติได้การปฏิบัติรำนะเราทําไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำไงภาวนาไปถึงวันหนึ่งนะสิ่งที่ได้มาคือพ้นทุกข์ถึงเราจะอยู่กับโลกไม่ได้บวชเราก็อยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกถ้าภาวนาได้ดีเต็มที่ถึงที่สุดเราจะไม่ทุกข์เลย ความทุกข์จะเหลือเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายต้องเป็นแต่ความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกใหาเราพอวนาไปแล้ววันหนึ่งพ้นทุกข์หลักของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ยากอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ง่ายๆพวกเราท่องไว้นะท่องไว้ ท่านบอกว่าเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงใครากำหนัดเพราะใครายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราก็มีถ้อยคําเติมอีกนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องท่องพอหลุดพ้นแล้วนะท่านบอกว่าชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้ว เคิดว่าเรียนจบแล้วกิจ ท, ที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจ ท, ที่ควรทําเพื่อบรรลุพระอราหันต์เนี่ยไม่มีอีกไม่ต้องทําอีกทําแล้วทําเลยทีเดียวงานนี้ทําแล้วเสร็จจําได้ไหมเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจเนี่ยตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเห็นไหมเป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่เราจะมาเรียนกันทั้งหมดนะในการปฏิบัติธรรมนะก็คือทำยังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นนะเราตามรู้ตามดูเรื่อยๆจนเรารู้เป็นนะจิตมันจะค่อยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในรูปนามในกายในใจนี้เบื่อหน่ายแล้วคลายกหนัดคลายกำหนัดคือคลายความรักใครยึดถือหมความรักใครยึดถือในกายในใจนี้ เพราะใครกําหนดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็คือหลุดพ้นจากกายจากใจนี้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี้พอหลุดพ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันพ้นแล้วเราจะเห็นนิพพานจะแจ่มแจ้งในพระนิพพานมีความสุขนิพพานไม่ใช่เกิดตอนต้องนั่งสมาธิแล้วเข้าไปดูถ้าหากภาวนาถึงขีดสุดแล้วนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยแค่นึกถึงก็รู้สึกเลยสัมผัสอยู่นั่น นิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมกติเลื่อนเลื่อนยๆเอาไว้หลอกเด็กไม่ได้มีจริงนะแต่นิพพานเป็นของจริงเป็นของแท้ถ้าชาวพุทธเราไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงก็อย่าเป็นพุทธเลยเป็นอย่างอื่นเราก็จะไปมุ่งเอาพบเอาชาติเอาอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเราได้ฟังทำนะได้ปฏิบัติรำไปช่วงหนึ่งเราจะรู้ว่านิพพานมีจริงๆความทุกข์มีอยู่นะความพ้นทุกข์ก็มีอยู่ โลกมีอยู่นะรมก็มีอยู่ปัญหามันอยู่นิดเดียวว่าทํำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ตรงนี้คือการปฏิบัติทั้งหมดเลยคือการทำวิปัสสนากรรมฐานดังั้นถ้าใครเขาถามเราวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรนะบอกเขาง่ายๆนะก็คือการที่เราคอยตามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานตามรู้ตามเห็นมันไปได้นะ รู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อย่างนี้แหลเรียกว่าเราจเจริญวิปัสนาอยู่ถ้าไปรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าวิาปัสนาเช่นไปรู้ความนิ่งความว่างไปรู้ดวงกสินต่างๆดวงแก้วดวงเทียนไฟพระพุทธรูปหรือนิมิตหมายใดๆทั้งสิ้นอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงของกายของใจ ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราในะกายในใจนี้กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะดูเท่านี้ยังไม่พอดูไปอีกนะดูกายดูใจไปตามความเป็นจริงเรื่อยไปเช่นวันหนึ่งแจ้งนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆะจิตมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกละไม่ยึดถือเนี่ยเห็นต า, วามว่าเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเราได้ยินบ่อยๆ อะไรมันหลุดจากอะไรจิตมันหลุดจากความยึดถือในขันขันก็ค ids, ือกายกับใจเรานี่เองพูดง like. ่ายๆ่าถ้ามันไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็ไม่ทุกข์อีกแล้วทุกวันนี้มีความทุกข์ก็เพราะมันมีกายมีใจทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจรู้สึกไหมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่ภูเขาที่ต้นไม้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจถ้าจิตมันพ้นจากกายจากใจแล้วจิตก็พ้นจากทุกข์ ตัวนี้เรียกว่าความหลุดผลไม่ใช่พ้นจากอย่างอื่นนะคือพ้นจากขันท่าพ้นจากกายจากใจนั่นเองง่ายไหมง่ายพระเจ้าสอนนะเป๊ะเป๊ ะ, เ, ปะเลยไม่มีคลาดเคลื่อนสักคำเลยหลายวันต่อไปนี้สี่วันต่อไปนี้พวกที่มาเป็นคอร์สนะคนที่ไม่ได้เข้าคอร์สก็เหมือนกันเอาไปทําฟังแล้วไปทําเอาสวันนี้เราจะเรียนกันว่าทํำยังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยคือเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดที่จะเรียนกันหลักสูตรในศาสนาพุทธเนี่ยหัวใจเลยอยู่ตรงนี้เองในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนของสมถะนั้นทำจิตให้สงบทําจิตให้ดีทําจิตให้นิ่งทําจิตให้มีความสุขส่วนของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะ สมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่หลุดพ้นหรอกเพราะไม่สามารถทำให้เห็นการเห็นใจตามว่าเป็นจริงได้แต่เราก็ทำสมถะกรรมฐานเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงจิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันพร้อมที่จะเจริญวิปัสนาได้ดนะีบางคนไม่สามารถทำสมถะได้ก็เริ่มที่วิปัสนาไปก่อนแล้วสมถะเกิดทีหลังเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครั้งหนึ่งพระอนนท่านเคยสอนนะ สอนคนไข้กับรู้จําไม่ได้แล้วท่าบอกการปฏิบัติมีหลายแบบแบบห น, หนึ่งใช้สมถะนําวิปัสนาตามหลังให้ใช้สมาธินําปัญญาอีกแบบหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิทําวิปัสนาไปเลยเดี๋ยวสมถะเกิดเองอีกอย่างหนึ่งใช้สมถะแล้วก็วิปัสนาเนี่ยควบคู่กันใช้สมาธิกับปัญญาควบคู่กันเดินได้หลายแบบมีแบบที่สี่นะไม่มีทั้งสมถะและวิปัสนา พวกอนาถาทั้งหลายพวกที่ไม่ได้พอนาะส่วนแบบที่ไม่ได้เรื่องนะมีพวกที่หนึ่งเนี่ยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาพวกที่สองทำแต่สมถะไม่ยอมทำวิปัสสนาพวกที่น่าสังเวชใจอีกพวกหนึ่งก็พวกจะเอาแต่วิปัสสนาไม่เอาสมถะพระเจ้าสอนทั้งสองอย่างนะแต่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานรองอะไรเป็นงานตัวจริงอะไรเป็นงานสนับสนุน งานจริงๆของเราก็คืองานวิปั ส, สนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสมถะเป็นงานสนับสนุนทําให้จิตใจเราได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงเหมือนคนได้นอนพักมาเพียงพอไปทํามาหากินสุขภาพแข็งแรงทํามาหากินได้ดีสมถะก็ได้พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเจริญปัญญานี่บางคนทําสมถะไม่ได้ก็ไม่ต้องกงนนะังวลนะเจริญปัญญาไปก่อนเนี่ยมถามเกิดทีหลัง ใจิตใจมันไม่สงบเพราะอะไรใจิตใจไม่สงบเพราะนิวรณ์นะใครเคยได้ยินคําว่านิวรณ์มั้งใครเคยเห็นนิวรณ์มั้งนะคนละขันได้ยินกับเห็นไม่เหมือนกันละได้ยินนิวรณ์นะหลวงพ่อได้ยินมาตั้งแต่ชั้นปฐมนะมานะนะรู้จักนิวรณนะ์น่ยมารู้จักจริงๆนะแจ่มแจ้งจริงๆนะบวชได้สองพรรษาแล้วถ้าเมื่อไหร่เราแจ่มแจ้งนิวรณ์นะจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิอัตโนมัติเลย เม่อล้วต้ค่อยๆฝึกไปเพราะนิวรณ์นี้เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์มีกรรมฉันทะความที่ใจมันผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยใจมันผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากรรมฉันทะบางทีใจมันก็ไม่ชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสทางกายเรียกพยาบาทไม่พอใจขัดเขืองนะ บางทีมันก็ลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัตินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรบางทีก็ฟุ้งซ่านใครรู้จักฟุ้งซ่านก็ฟุ้งกันทุกคนแหลนะใจมันฟุ้งซ่านก็เป็นนิวรณถ้าฟุ้งซ่านแล้วใจก็ไม่สงบนะใจเสื่องซึมก็ใจก็ไม่สงบนะนิวร น, นะมันก็เป็นตัวที่บันทรนทำให้ใจไม่สงบ คนไหนทําสมาธิได้นะกําลังของฌานเป็นขมนิวรนใจก็สงบแล้วคนไหนทําไม่ได้นะให้มีสติรู้ทันใจที่มีนิวรนนิวรนดับแล้วใจก็สงบนี่ทําได้หลายแบบอันนึงเข้าไปขมนิวรนแล้วใจสงบอันหนึ่งรู้ทันกิเลสเข้าไปนะรู้ทันเข้าไปนิวรนดับไปใจก็สงบง่ายไม่มีอะไรหรอกจับหลักให้แม่นนะทำกรรมฐานอะไรได้หมดเลยหลวงพ่อนั่งพัดหลวงพ่อก็สงบ ทำอะไรก็สงบนะทำอะไรไมันได้หมดแนหะแต่ถ้าทําไม่เป็นนะไม่รู้หลักอะไรอะไรลำบากไปหมดเลยใจก็ฟุ้งซ่านหาความสุขความสงบไม่ได้พวกที่มาเข้าคอร์สติดสมถะหลายคนไหมมีไหมคงจะมีนะธรรมะหลวงพ่อจากวิปัสนากลายไปเรื่องสมถะไปละวเอามาเรียนเรื่องวิปัสนาต่อ เดี๋ยวจะกลายเป็นเรียนเรื่องสมถะนะวิปัสสนานะคือหลักของการทำวิปัสสนาง่ายๆให้มีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ตามความเป็นจริงของกายของใจเนี่ยหลักท่านบอกว่าเพราะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายกหนัลแล้วก็หลุดพ้นเราไม่ต้องสนใจว่าทำยังไงจะเบื่อหน่ายคลายกหนัลหลุดพ้นนะตรงนั้นเป็นเองเป็นผลลนะ การปฏิบัติจริงๆให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงให้ได้การจะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงได้เนี่ยมีเครื่องมืออยู่สองตัวตัวที่หนเรียกว่าสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิถ้ามีสติกับสัมมาสมาธิแล้วก็เราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี เห็นความจริงของกายของใจ เ, เรียกว่าปัญญาดะงั้นคนทั้งหลายนยจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากเครื่องมือสองตัวคือมีสติอันหนึ่งแล้วก็มีสัมมาส ม, มาธิอีกตัวหนึ่งเราจะเรียนนะเราจะฝึกอบรมจิตใจตัวเองพัฒนาจนมันเกิดสติที่แท้จริงขึ้นมาพัฒนาจนมันเกิดสัมมาส ม, มาธิที่แท้จริงขึ้นมานะ พวกเราที่เคยฝึกกรรมฐานล้มลุกลุกลานมาตลอดเนี่ยเพราะเราขาดสงตัวนี้ขาดสติที่แท้จริงและขาดสัมมาสมาธิเราะนั้นตลอดเวลาต่อไปนี้นะเราจะเรียนให้ได้ทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติแล้วเรามีสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ สติเป็นเครื่องระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่าเห็นกายเห็นใจนะถ้าจิตใจมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเห็นไหมพูดง่ายๆนะต้องมีสติกับปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเกิดจากสติและสัมมาสมาธิเพราั้นเวลาเราพัฒนานะเราพัฒนาสติกับสัมมาสมาธิขึ้นมาเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเองเพอปัญญาเกิดเองเนะจิตจะหลุดพ้นของมันเอง เห็นไหมเราสั่งให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้นะเราต้องทําเหตุของมันอันแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจคนทั่วๆโลกนะมีกายมีใจเรามีกายมีใจมาตลอดนึกออกไหมแต่เราลืมกายลืมใจตลอด สังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยเดี๋ยวเขใจลอยไปเรื่องโน้นเดี๋ยวก็ใจลอยไปเรื่องนี้เดี๋ยวใจลอยไปอดีตเดี๋ยวใจลอยไปอนาคตเดี๋ยวใจลอยไปเรื่องคนอื่นไปสิ่งอื่นใจลอยไปถึงบ้านมาอยู่เข้าคอสคิดถึงบ้านใจหนีไปบ้านลืมกายลืมใจเนี่ยคนในโลกนะไม่มีใครมีสติหรอกมีแต่คนลืมกายลืมใจ ทั้งทงที่กายกับใจนะมีอยู่ทนโทษมีอยู่ตหน้า ต, ตาตาเห็นเมื่อไรก็เห็นได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยที่เราจะเห็นกายเห็นใจตัวเองแต่เรามันใจลอยตลอดวันนะมันลืมกายลืมใจใจลอยไปเรนะื่อยๆหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้มลืมตัวเองวิธีจะฝึกให้มีสตินะไม่ได้สั่งให้มีสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าใครมาบอกเราบอกว่ามีวิธีสั่งให้สติเกิด อันนั้นพูดไม่จริงต้องทําเหตุนะทำเหตุของสติแล้วสติถึงจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้สติเกิดหลายคนพยายามจะสั่งให้สติเกิดด้วยการกําหนดเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติหรือพยายามดูท้องพองยุกไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะเพ่งอยู่ที่เท้าตลอดจะไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติมันไม่ใช่สัมมา sandbox, สติมเป็นมิจฉาสติ นะสัมมาสติแท้ๆไม่ได้เกิดอย่างนั้นสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเราจะระลึกได้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องรู้จักสิ่งนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นะในพระอภิธรรม1ึสอนไว้ชัดเจนเลยว่าสติเนียมีทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะคือจำรูปจำนามจำกายจำใจได้แม่นยำเป็นเหตุให้เกิดสติตามทันหม ก็ทันหละพวกนี้มาเรียนนานแล้วหลวงพ่อถามคนที่มาใหม่ๆนะเอาใหม่หลวงพ่อจะทบทวนใหม่นะตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วง่ายๆผู้หมูตู้เลยง่ายหลักของการปฏิบัตินะเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าเห็นได้นะจิตจะเบื่อนายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นของมันเองถึงมรรคผลนิพพานเองนะถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะ ก็มีสติก็มีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องมือสําคัญสตินี่เป็นตัวคอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจไม่ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันเลยลืมกายลืมใจมาตั้งแต่เกิดเลยพอเกิดขึ้นมานะสังเกตไหมพอลืมตาตื่นขึ้นมานะคิดถึงคนอื่นหรือว่าดูก็ดูสิ่งอื่นไม่คิดถึงตัวเองไม่ดูตัวเองลืมตัวเองตลอดเวลาเลยเราลืมตัวเองจนชินเลย เนี่ยเพราะงั้นสติของเราไม่มีหรอกวิธีทําให้สติเกิดนะต้องหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกอยู่ในกายหัดรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกบ่อยๆต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเองพอจิตใจเคลื่อนไหวสติเกิดเองเพราะมันจําสภาวะได้ว่าสภาวะของรูปรธรรมนามารมแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างถ้าบางคนรู้จักว่าใจลอยคนไหนใจลอยบ่อยนะก็หัดรู้ความใจลอยไปใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ คนไหนที่โมโหก็หัดรู้ไปใจโมโหขึ้นมาก็รู้ใจโมโหเราก็รู้ใจหายโมโหก็รู้เดี๋ยวก็โมโหอีกก็รู้อีกหัดรู้อย่างเนี้ยคนไหนเต็มไปด้วยความอยากเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติความอยากใดๆเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันความอยากดับไปก็รู้ความอยากมีอยู่ก็รู้นะคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจิตมันจะจําสภาวะได้แม่น คนไหนขี้โมโหดูความโมโหไปเราจะเห็นเลยทั้งวันเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายคนไหนขี้โลภเต็มไปด้วยความอยากก็ดูความอยากไปเดี๋ยวก็อยากโน้นเดี๋ยวก็อยากนี้เดี๋ยวก็หายอย่างเดี๋ยวก็อยากอีกเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆคนไหนชอบหลงใจลอยชอบเมารู้ทันว่าใจลอยไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็ใจลอยอีกก็รู้สึกอีกฝึกอย่างนี้ ในที่สุดจิตมันจะจําสภาวะแม่นเพราะมันเห็นบ่อยเช่นใจลอยบ่อยๆแล้วเห็นทุกวันเลยเห็นทั้งวันเนี่ยใจรอยทั้งวันเลยหรือคนขี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธคนขี้โลภนะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากหัดดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆจิตมันจะจําสภาวะแม่นจําได้ว่าหลงเป็นยังไงโลภเป็นยังไงโกรธเป็นงไงแต่ละคนเอาตัวเดียวก่อนไม่ต้องรู้ทุกตัวหรอก ของเราเป็นคนขี้โมโห О, เราก็หัดดูใจที่โมโห О, หัดรู้รู้ทันความรู้สึกโมโห О. คนไหนขี้โลภอยากโน่อนอยากนี่ก็หัดรู้ทันใจที่มันโลภคนไหนชอบหลงชอบเมอชอบใจลอยก็รู้ทันไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้การที่เราหัดรู้บ่อ ย, อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตจำสภาวะได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีทิระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือทิระ คนไทยใช้คำว่าสถเทียนทิระสัญญาคือจิตมันจําสภาวะได้แม่นทีละสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสติสติไม่ได้เกิดจากกําหนดนะหลายคนไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มเอาไว้ไม่ได้แปลว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้ไม่ใช่แปลว่ากําหนดนั้นต้องลืมของเก่านะคนไหนที่ชอบเข้าคอร์สเข้าอะไรมาชอบกําหนดกําหนดเรานึกว่ากําหนดแล้วจะเกิดสติกําหนดไม่ได้ทําให้เกิดสติ การหัดรู้สภาวะซื่อๆรู้ไปเรื่อยทำให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยเห็นเห็นบ่อยๆมันจําสภาวะได้พอสภาวะมาะมันระลึกได้เลยว่าไอ้นี่มาละโกรธละโลภละหลงละโกรธไปก่อนนะเรารู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนเรารู้ว่าห ล, ล ง, รรลงสภาวะามันมาแล้วก็รู้ทันมันฝึกอย่างนี้นะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวพวกพี่เลี้ยงก็ไปสอนต่อหัดรู้สภาวะไปเรื่อย นี่ตัวที่หนึ่งนะหัดรู้สภาวะแล้วจะมีสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าจิตเข้าไปเกาะอารมณ์มันเดียวการที่จิตไปรู้อารมณ์มันเดียวนะัเป็นเรื่องเอกคตานี่เอกคตาเป็นเจตสิกคือเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงจิตอกุศลก็มีเอกคตานะคือจิตมันจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียว จิตมันรวมองค์ทำฝ่ายอากุสลน่นมาทํางานร่วมกันเรียก ว, ว่าเอกาคตาเพราะฉะนั้นสมาธินี่มันเกิดกับจิตทุกทุกดวงเอกาคตาคือตัวสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิหรอกสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์ส่วนมิจฉาสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตเกือบทั้งหมดนะ จิตมันไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับตัวอารมณ์ไปจับตัวอารมณ์แน่นๆอยู่ที่ตัวอารมณ์ยกตัวอย่างเวลาเราเดินจงกรมจิตมันไปเกาะอยู่ที่เทา้าเท้าขยับเท้ายกเท้าว่ายัางเลยรนี่นรู้หมดเลยจิตมันเกาะอยู่ที่เทา้เอาอันนั้นไม่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิจิตมันไหลไปเกาะอยู่ที่เทา้าจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์การที่จิตไปแช่อยู่กับตัวอารมณ์นะพระสายแขกมีชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌัน การเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เป็นการทําสมถะกรรมฐานดังั้นบางคนเพ่งเท้าไปด้วยนะแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดตัวนะบางทีก็มีตัวอะไรมาไต่รู้สึกบุบบว่าว่รู้สึกขนลุกขนพองนี่เป็นอาการของสมถะอาการของปิติทั้งสิ้นเลยทำไมเกิดปิติเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าไปเพ่งเท้าไว้เพ่งตัวอารมณ์นั้นเป็นสมถะ แต่ถ้าใจตั้งมั่นเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าใจมันตั้งมั่นใจมันอยู่ต่างหากใจกับกายนี่แยกออกจากกันนะกายเป็นเดินใจเป็นคนดูเวลานั่งอยู่ก็กายมันนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยใจมันตั้งมั่นอยู่เป็นแค่คนดูเรียกว่าใจมันมีสัมมาสมาธิถ้าใจมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจมันหลงไปก็เรียกมันไม่มีสัมมาสมาธิหรือใจมันเข้าไปเพ่งก็ไม่มีสัมมาสมาธิ แล้วเราค่อยๆหัดนะค่อยๆสังเกตสภาวะในใจเราใจเราชอบไหลไปเวลาเราดูท้องพองยุบใจก็ไหลไปอยู่ที่ท้องอนี้ไปเพ่งตัวอารมณ์ไปเพ่งท้องก็เป็นสมถะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นท้องพองยุบเห็นร่างกายนี้มันหายใจใจเป็นแค่คนดูอันนี้เรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะแล้วสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจปัญญาจะเกิดทันทีจะเห็นว่ากายนั้นใจนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลย ปัญญาจะเกิดนั่นที่เรียนกันแทบเป็นแทบตายนะเรียนเพื่อให้เกิดปัญญานั่นแหละไม่ได้เรียนให้เกิดอะไรหรอกพอเกิดปัญญาเร้่รู้ตามความเป็นจริงนะจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะไม่มีจิตใครสั่งจิตให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จิตเป็นเองที่จิตเป็นได้เองเพราะจิตมีปัญญาจิตมีปัญญาเราสั่งให้มีปัญญาก็ไม่ได้เราต้องทําเหตุของมัน เราต้องมีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่มีสมัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่เป็นกลางแลนะสติระลึกรู้กายจิตไม่ถล่มเข้าไปในกายจิตเป็นคนรู้เฉยๆก็ๆจะเห็นว่าร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราสติไประลึกรู้เวทนาเวทนาความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยๆเกิดขึ้นสติระลึกปับ๊บจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะจิตไม่ถล่มลงไปในเวทนาก็จะเห็นเลยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรา กุศลและอกุศลเกิดขึ้นนะเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆแล้วเนี้ยเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่คนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็วิ่งออกไปจับคนนอกบ้านต่างคนต่างอยู่มันจะต่างคนต่างอยู่กันกายก็ต่างคนต่างอยู่นะกับจิตเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็ต่างคนต่างอยู่กับจิต สังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็ต่างคนต่างอยู่กับจิตมันแยกออกจากกันขันมันแยกตัวออกจากกันเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วมีสัมมาสมาธิเราจะเห็นขันมันแยกออกไปการที่ขันมันแยกออกไปนั้นแหละเป็นจุดเบื้องต้นของการเจริญปัญญาในตำราเขาจะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาที่แยกรูปแยกนามได้กายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกัน ถ้าแยกกันเมื่อไหร่นะความเป็นตัวตนจะไม่มีเห็นไหมพอใจมันตั้งมั่นมีสติะระลึกรู้กายไม่ใช่รู้ตัวเราอีกต่อไปแล้วจ ะ, ะระลึกรู้กายจ ะ, ะระลึกรู้เวทนาจ ะ, ะระลึกรู้กุศลอกุศล น, นี่มันจะแยกออกมาเป็นตัวตัวนะไม่ใช่มองแบบเป็นองค์รวมมองรวมๆจะมีตัวเรานะพอใจตั้งมั่นขึ้นมาสติะระลึกรู้นี่มันจ ะ, ะรู้ตัวสภาวะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะประกอบด้วยสภาวะจํานวนมากเลย หลายสิบตัวมารวมกันอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะนะถ้าเรามีสติแล้วก็มีใจตั้งมั่นใจมีปัญญาเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวไม่มีตัวเราเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าสติะระลึกรู้กายปุ๊บใจตั้งมั่นใจอยู่ต่างหากกายอยู่ต่างหากแยกกันเวลาเราภาวนาเราจะมีความรู้สึกเหมือนมีช่องว่างมักคันกลยกับจิตไม่ใช่เนื้อเดียวกันกลยกับจิตนะอยู่ห่างหางกันเหมือนมีช่องว่างหมากคัน อย่างนี้เราภาวนาเป็นแล้วความสุขความทุกข์กับจิตก็โคนละอนกันเหมือนมีช่องว่างมาคั้นไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันจิตกับกิเลสจิตกับกุศลทั้งหลายก็อยู่ห่างๆกันโคนลนกันเหมือนมีช่องว่างมาคั้นภาวนาไปแล้วมันจะเลื่เหมือนมีช่องว่างมาคั้นลงไปเรื่อยๆในนี้มีช่องว่างไหมในยาดมมีช่องว่างไหมเนี่ยเรารู้ได้หลักวิทยาศาสตร์มีช่องว่างเยอะแยะเลยตัวมวลของมันแท้ๆมีนิดเดียว ส่วนใหญ่ของมันคือช่องว่างนะแต่ช่องว่างนี้มันมามันมันมองไม่เห็นนะมันเล็กเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเต็มไปด้วยช่องว่างนี่ทางวัตถุก็เต็มไปด้วยช่องว่างนะในจิตใจก็เต็มไปด้วยช่องว่างนะถ้าเมื่อไราเราเห็นนะเราเห็นดูไปเรื่อยไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราพูดยากไปเดี๋ยวขอถอนนะตรงนี้ยากไปมันมีบางคนปัญญามันกล้ามากธรรมะมันแหลมไปเอาใหม่เอาใหม่เ อ, หม เ, อหเอาง่ายๆ คนมาใหม่เยอะนะเนี่ยยาดมนี่มันอยู่ห่างๆหงลวงพ่อรู้สึกไหมมีใครยาดมอยู่ห่างพวกเรารู้สึกไหมมีใครคิดว่ายาดมเป็นตัวเราไหมบ้าสิถจคิดอะเ <c oughs> ห็น <c oughs> พัดไหมพัดรู้สึกไมมพัดอยู่ห่างๆจ า, ากตัวเราใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างไม่มีนะเอาใหม่ต่อไปนี้เอามือของตัวเองมาดูมือของตัวเองวางไว้ไกลๆ รู้สึกไหมดูที่เล็บพอดูแค่เล็บดูเล็บของตัวเองอย่าดูเล็บคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นนินทาเขาดูซิเล็บมันบอกว่าเป็นเราไหมดูไปเรื่อยๆนะเห็นไหมมีตัวไหนมันบอกว่าเป็นเราเอา้าวลองจับผมผมของตัวเองจับของหลวงพ่อจับยากรู้สึกไหมผมมันบอกว่าเป็นตัวเราไหมเห็นไหมเนี่ยพอมันแยกออกไปนะรู้สึกไหมผมมันอยู่ห่างๆใจมันอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูผม ผมอยู่ห่างๆรู้สึกไหมผมอยู่ห่างๆรู้สึกไหมเล็บอยู่ห่างๆรู้สึกไม้มใจเป็นคนดูอยู่นี่เล็บอยู่นวนมันห่างๆนะนี่ค่อยๆดูไปนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนในร่างกายอะไเนี้ยอยู่ห่างๆทั้งนั้นเลยนะค่อยดูไปเอา้าจับหูหูตัวเองนะจับไว้คนไหนเมียจับข้างซ้ายมานานก็ลองเปลี่ยนมาจับข้างขวาเออจับดูซิหูมันบอกไหมเป็นตัวเราสัมผัสมันดูมันพูดไหมว่ามันคือตัวเราเห็นไหม มันไม่มีอะไม่มีตัวเรานะเนี่ยถ้าเราเห็นตัวสภาวะแต่ละตัวที่มันแยกๆออกไปจะไม่มีตัวเราอนะความโกรธเป็นตัวเราไหมความคิดเป็นตัวเราไหมเอาต่อไปนี้เราจะลองคิดท่องบทสวดมนต์ในใจนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะท่องไปในใจแล้วค่อยๆสังเกตไปเห็นไหม ความคิดที่ว่านโมตสาพระวะตัวมันอยู่ห่างๆนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆนะแอบไปคิดเรื่องอื่นหมดห้องเลยทิ้งนโมไ้แล้วนะเห็นไหมใจมันดูออกไหมเวลาความคิดที่เกิดขึ้นความคิดก็อยู่ห่างๆเห็นไมนะรู้สึกไหมตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมสังเกตไหมความสุขอยู่ห่างๆความสุขก็เป็นของถูกรู้ถูกดู บางคนงงเช่นคุณนีคกําลังงงสังเกตไหมความงงก็อยู่ห่างๆความงงก็อยู่ห่างๆดูไปได้นะทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวมันอยู่ห่างๆหมดเลยเนี่ยใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ห่างๆหมดเลยสังเกตไหมใจแอบไปคิดดูออกไหมสังเกตไหมใจแอบไปคิดได้เองนี่ถ้าภาวนาเก่งสุดขีดนัจะเห็นว่าใจก็อยู่ห่างๆจิตมันก็ยังอยู่ห่างๆนะมีวิคิดได้เอง ทำไมจิตมันอยู่ห่างเพราะจิตดวงหนึ่งมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเกิดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่มันไปรู้ดวงเก่าดวงเก่ามันห่างไปแล้วมันดับไปแล้วนะจิตมันเกิดดับตลอดเวลาพวกเราหัดดูไปนะหัดดูไป หั่นรู้สึกอยู่ในกายหั่นรู้สึกอยู่ในใจถ้าใจเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้จริงนะเราจะเห็นกายก็อยู่ห่างๆเวทนาก็อยู่ห่างๆสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลน่ะอกุศลก็อยู่ห่างๆทุกอย่างจะอยู่ห่างๆแล้วทุกอย่างอย่ามีใช่ตัวเราดูไปมากๆนะนี่เรียกเราเห็นความจริงละเอ้างไปทานข้าวพาดูซะลืมเหนียวพระอยู่ข้าวนิมนต์เลยครับ